สมาธิไม่ใช่การคิดมากไม่ใช่การคิดน้อยแต่เป็นการคิดถึงสิ่งเดียวคนส่วนมากคิดมากเพราะไม่ได้คิดแต่ติดอยู่กับอารมณ์ที่ผันผวนอารมณ์ซัดพาอย่างไรใจก็ไหลไปตามนั้นคนส่วนน้อยคิดน้อยเพราะคิดเป็นเห็นว่าจะเอาอะไรรู้ว่าอยู่ในจิตทางที่จะไปถึงหรือออกนอกทางแล้ว การคิดน้อยใกล้เคียงกับการคิดถึงสิ่งเดียวเมื่อคนคิดน้อยอัดคิดถึงสิ่งเดียวถึงง่ายเช่นแค่คิดว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกก็เห็นแต่ว่ากำลังมีลมเข้าหรือลมออกไม่คิดมากไปกว่านั้นไม่มีสิ่งอื่นอยู่ในความคิดเกินกว่านั้นความเป็นหนึ่งของจิตตึงบังเกิด หรือแม้กำลังฟุ้งซ่านขอแค่ยอมรับว่าลมหายใจนี้เป็นลมหายใจของความฟุ้งซ่านมากหรือเป็นลมหายใจของความฟุ้งซ่านน้อยในที่สุดก็เห็นลมหายใจทั้งสองชนิดสลับกันแล้วแล้วไม่ยอมรับไปเรื่อยๆเอีงไม่นานความฟุ้งซ่านก็าหายไปเหลือแต่ลมหายใจที่สงบเงียบให้ดูกับจิตที่เด่นรู้เพียงหนึ่งเดียว เมื่อมีสองเรื่องเข้ามาเป็นความคิดในหัวพร้อมกันคนทั่วไปที่ไม่ได้ผ่านการฝึกจิตมักจะตัดสินใจไม่ถูกว่าควรเลือกคิดเรื่องใดก่อนดีแม้รู้ทั้งรู้ว่าเรื่องใดสำคัญกว่าฉะนั้นจึงเกิดภาวะชะงักงนันสับสนสติพร่าเรือนอย่างน้อยก็ชั่วขณะใหญ่ๆนานพอที่จะเลื่อนลอย เมื่อหายไปจากเรื่องที่สมควรทำตรงหน้าได้สถานการณ์ยั่วแย่ให้คิดสองเรื่องสามเรื่องพร้อมกันคือโอกาสเหมาะที่จะใช้เป็นแบบฝึกหัดในการทำสมาธิคนที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกสมาธิไม่ใช่คนที่นั่งหลับตาปั้นหน้าขรึมให้คนอื่นดูแต่เป็นคนที่รู้ใจตัวเอง และดึงใจตัวเองได้ทันก่อนมือหายไปจากงานตรงหน้าไม่มีทางลัดไม่มีทางเลี่ยงสิ่งที่คุณต้องฝึกคือดึงใจตัวเองมาอยู่กับสิ่งที่สำคัญกว่าและจัดการให้เสร็จก่อนโดยอาจให้คำสั่งกับตัวเองสั้นๆเพื่อการเล็งที่เด็กขาดว่าต้องเลือกและเมื่อเลือกแล้วก็จดจ่อคิดอยู่เรื่องเดียวให้ได้ให้ผล และให้เสร็จหากสติพร่าเลือนเตือนตัวเองไม่ถูกว่าอะไรสำคัญกว่าจำเป็นต้องคิดก่อนก็ต้องค่อยๆระลึกว่างานไหนควรเสร็จก่อนงานไหนก่อความเสียหายได้มากกว่างานไหนก่อความเดือดร้อนให้ส่วนรวมได้ยิ่งกว่าการตกลงกับตัวเองได้อย่างมีเหตุมีผลว่า นี่สำคัญต้องคิดก่อนนั่นรอได้ไม่สำคัญมากจะเป็นตัวลดความอึดอัดลดความประศัก์ประสายทางอารมณ์ลงได้เกินครึง่งคุณจึงดึงใจตัวเองโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องอึดอัดไม่ต้องเก็บกดทั้งทาแต่ประการใดความสามารถดึงจิตมาอยู่กับงานได้เรื่อยๆนั้นคือการผนึกจิตให้เข้มแข็ง กระทั่งรวมดวงเป็นหนึ่งไม่วอกแวกไม่หวันไหวแม่แส้สายไปยิ่งดึงจิตได้ง่ายขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นคนเด็ดขาดแน่วแน่มากขึ้นเท่านั้นแล้วการฝึกฝนจนสามารถดึงจิตมาอยู่กับงานนั่นเองก็คือโอกาสที่คุณจะได้รู้ใจตัวเองว่ามีความประสับประสายอยู่ด้วยเรื่องไร้าสาระอันใดอยู่บ้าง ยิ่งรู้ใจตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งควบคุมตัวเองได้ง่ายขึ้นเท่านั้นถ้ารู้ตัวว่าเป็นคนคิดแรงก็ขอให้พลังความคิดผลักดันคุณไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงอย่าปล่อยให้พลังความคิดกดดันคุณอยู่กับที่เป็นวงกลมเพราะการคิดแรงเป็นเส้นตรง คือวิธีของสมาธิชั้นดีส่วนการคิดแปลงเป็นวงกลมคือวิธีของความฟุ้งซ่านจัดเพื่อเปลี่ยนการคิดแบบวงกลมลอยวนหาจุดหมายไม่เจอให้กลายเป็นคิดแบบเส้นตรงฟุ้งตรงสู่จุดหมายอาจคิดด้วยกระดาษบ้างก็ได้กระดาษกับปากกา เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของวิธีคิดอย่างเป็นระบบระเบียบมาช้านานเริ่มต้นด้วยการจดว่าตอนนี้มีอะไรต้องทำกระดาษเปล่าจะได้แปลสภาพเป็นเครื่องช่วยบอกให้รู้ว่าชีวิตคุณไม่ได้ว่างเปล่าแล้วจากนั้นใส่เลขลำดับความสาคัญหนึ่งสองสามให้แต่ละเรื่องกระดาษจะได้ช่วยบอกว่า ต้องใส่ความคิดให้กับเรื่องไหนก่อนต่อมาวางแผนหนึ่งสองสามให้กับสิ่งที่ต้องทำก่อนกระดาษจะได้ช่วยสำรวจว่าคุณกำลังอยู่บนบันไดขั้นไหนสุดท้ายจดไว้ว่ามีเรื่องไหนบ้างที่หลอกให้คุณเปลี่ยนใจกลับไปกลับมาได้หรือตกลงใจแล้วย้อนกิดลังเลใหม่ได้ หรือกดดันให้คุณรู้สึกย่ำอยู่กับที่หนีไปไหนไม่รอดได้เมื่อบันทึกลงไปแล้วกระดาษจะคอยเตือนว่าเรื่องใดเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งเรื่องใดเป็นศัตรูหมายเลขสองสามสี่ห้าคุณจะได้ไล่กำจัดมันด้วยการตราหน้าไว้ชัดชัดว่าเรื่องนั้นตัดสินใจแล้วัดคิดด้วยกระดาษไม่นาน คุณอาจพบว่าแท้จริงความคิดไม่ใช่ตัวคุณแต่เป็นพลังชนิดหนึ่งที่ควบคุมชีวิตทั้งชีวิตของคุณไวหากทำให้เป็นเส้นตรงชีวิตจะก้าวหน้าเรื่อยๆแต่หากปล่อยให้เป็นวงกลมชีวิตจะย่ำอยู่กับที่หรือถอยหลังเรื่อยๆกระดาษใบเดียวเปลี่ยนชีวิตคุณไม่ได้แต่กระดาษหลายๆใบ อาจบรรดาชีวิตใหม่ให้กับคุณในเวลาไม่นาน